บทภาชนีนีไม่เห็นโจดว่าได้เห็น387ภิกษุผู้โจดก็ไม่ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิกถ้าโจดภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าเห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตรท่านร่วมอุโบสถประวัรณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอาบัติสังฆาธิเศษทุกๆคำพูดไม่ได้ยินโจดว่าได้ยิน ภิกษุผู้โจทย์ก็ไม่ได้ยินว่าภิกษุต้องอบัตปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสกยบุตรท่านร่วมอุโบสถประวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอบัตตสังฆาธิเสษทุกๆคําพูดไม่นึกสงสัยโจทย์ว่านึกสงสัยภิกษุผู้โจทย์ก็ไม่ได้นึกสงสัยว่า ภิกษุต้องอบัตตปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยว่าท่านต้องอบัตตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตรท่านร่วมอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอบัตตสังฆทิศทุกๆคำพูดไม่เห็นโจทย์ว่าได้เห็นและได้ยินภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้เห็นภิกษุต้องอบัตตปาราชิกถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่า ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินว่าท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสกยบุตรท่านร่วมบุโบสถปรารนาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอบัติสังฆาธิเศษทุกๆคำพูดไม่เห็นโจทย์ว่าได้เห็นหรือนึกสงสัยภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้เห็นภิกษุต้องอบัติปาราชิกถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นและนึกสงสัยว่าท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะ ต้องอบัตสังฆาธิเศตทุกๆคำพูดไม่เห็นโจทย์ว่าได้เห็นได้ยินและนึกสงสัยภิกษุผู้โจทย์ก็ไม่ได้เห็นภิกษุต้องอบัตปาราชิกถ้าโจทย์พิภูนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นได้ยินและนึกสงสัยว่าท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะต้องอบัตสังฆาธิเศตทุกๆคำพูดไม่ได้ยินโจทย์ว่าได้ยินและนึกสงสัยภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้ยินว่าภิกษุต้องอบัตปาราชิกแล้ว ถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินและนึกสงสัยว่าท่านต้องอบับปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะนะต้องอบวบสังฆทิศทุกๆคำพูดไม่ได้ยินโจทย์ว่าได้ยินและได้เห็นภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้ยินว่าภิกษุต้องอบับปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นท่านต้องอบับปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะนะ ต้องอบัตสังฆาธิเสตทุกๆคำพูดไม่ได้ยินโจทย์ว่าได้ยินนึกสงสัยและได้เห็นภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้ยินว่าภิกษุต้องอบัตปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินนึกสงสัยและได้เห็นท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะต้องอบัตสังฆาธิเศตทุกๆคำพูดไม่นึกสงสัยโจทย์ว่านึกสงสัยและได้เห็นภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้นึกสงสัยว่า ภิกษุต้องอบัตตปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยและได้เห <vale> ็นท่านก็ต้องอบัตตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะต้องอบัตตสังฆธิเศตทุกๆคำพูดไม่นึกสงสัยโจทย์ว่านึกสงสัยและได้ยินภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอบัตตปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยและได้ยินว่าท่านต้องอบัตตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะ ต้องอบัตสังฆาธิเศษทุกๆคำพูดไม่นึกสงสัยโจทย์ว่านึกสงสัยได้เห็นและได้ยินภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอบัตปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยได้เห็นและได้ยินว่าท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะต้องอบัตสังฆาธิเศษทุกๆคำพูดได้เห็นโจทย์ว่าได้ยินภิกษุผู้โจทย์ ได้เห็นภิกษุต้องอบัตตปาราชิกถ้าโจทภิกษุนั้นว่าเขาพระเจ้าได้ยินว่าท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วต้องอบัตตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดได้เห็นโจทย์ว่านึกสงสัยได้ยินและนึกสงสัยภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอบัตตปาราชิกถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าเขาพระเจ้า น, นึกสงสัยว่าท่านต้องอบัตปาราชิกถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าเขาพเจ้าได้ยินและนึกสงสัยว่าท่านต้องอบัตตปาราชิกแล้วต้องอบัตตสังฆาทุกๆคพูด ได้ยินโจดว่านึกสงสัยได้เห็นนึกสงสัยและได้เห็นภิกษุผู้โจดได้ยินว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจดภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจดภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยและได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด นึกสงสัยโจทย์ว่าได้เห็นได้ยินได้เห็นและได้ยินภิกษุผู้โจทย์นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นและได้ยินว่าท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตร ท่านร่วมอุโบสถภาวนาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอบัตสังฆาธิเศตทุกๆคําพูดได้เห็นไม่แน่ใจภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอบัตปาราชิกไม่แน่ใจในเรื่องที่ได้เห็นคือกําหนดสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้จําสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้ลืมสิ่งที่ได้เห็นถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นและได้ยิน ข้าพเจ้าได้เห็นและนึกสงสัยข้าพเจ้าได้เห็นได้ยินและนึกสงสัยว่าท่านต้องอบัติปาราชิกได้ยินไม่แน่ใจพิกษุผู้โจทย์ได้ยินว่าพิกษุต้องอบัติปาราชิกแล้วไม่แน่ใจในเรื่องที่ได้ยินคือกำหนดเรื่องที่ได้ยินไม่ได้จำเรื่องที่ได้ยินไม่ได้ลืมเรื่องที่ได้ยินถ้าโจทย์ิสูนนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินและนึกสงสัยข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็น ข้าพเจ้าได้ยินนึกสงสัยและได้เห็นท่านต้องอบัตตปาราชิกแล้วนึกสงสัยไม่แน่ใจภิกษุผู้โจทย์นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอบัตตปาราชิกแล้วไม่แน่ใจในเรื่องที่นึกสงสัยคือกําหนดเรื่องที่นึกสงสัยไม่ได้จําเรื่องที่นึกสงสัยไม่ได้ลืมเรื่องที่นึกสงสัยถ้าโจทย์ภิกษุว่าข้าพเจ้านึกสงสัยและเห็นข้าพเจ้านึกสงสัยและได้ยินข้าพเจ้านึกสงสัยได้เห็นและได้ยินว่า ท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายศักยาบุตรท่านร่วมอุโบสถปวรารณาหรือสังฆก ร, รรมไม่ได้ต้องอบัติสังฆาธิเศ ษ, ษ, ษทุกๆคำพูดไม่เห็นสั่งให้โจดว่าเห็น388ภิกษุดพูพโจดไม่ได้เห็นภิกษุต้องอบัติาปาราชิกถ้าสั่งให้โจดภิกษูนั้นว่าเขาพเจ้าได้เห็นท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายศักยาบุตร ท่านร่วมอุโบสถภารณาหรือสัง ก, กรรมไม่ได้ต้องอบัตสังฆาธิเศษทุกๆคําพูดไม่ได้ยินสั่งให้โจทย์ว่าได้ยินภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้ยินว่าพิกษูต้องอบัตปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจทย์พิภูนั้นว่าเขาพระเจ้าได้ยินว่าท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วต้องอบัตสังฆาธิเศษทุกๆคําพูดไม่ได้นึกสงสัยสั่งให้โจทย์ว่าได้สงสัยภสสิกษุผู้โจทย์ไม่ได้นึกสงสัยว่า ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าเนึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาธิเศษทุกๆคำพูดไม่ได้เห็นสั่งให้โจทย์ว่าได้เห็นภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิกท่าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นได้ยินข้าพเจ้าได้เห็นได้นึกสงสัยข้าพเจ้าได้เห็นได้ยินได้นึกสงสัยว่า ท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วต้องอบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดไม่ได้ยินสั่งให้โจดว่าได้ยินภิกษุผู้โจดไม่ได้ยินว่าภิกษุต้องอบัติปาราชิกแล้วท่านสั่งให้โจดภิกษุนั้นว่าเขาพระเจ้าได้ยินได้นึกสงสัยเขาพระเจ้าได้ยินได้เห็นเขาพระเจ้าได้ยินได้นึกสงสัยได้เห็นว่าท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วต้องอบัติสังฆาธิเสษทุกๆคำพูด ไม่นึกสงสัยสั่งให้โจดว่าได้นึกสงสัยภิกษุผู้โจดไม่ได้นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอบัตปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจดภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้เห็นข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้ยินข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้เห็นได้ยินท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วต้องอบัตสังฆาทิเสบทุกๆคำพูดได้เห็นสั่งให้โจดว่าได้ยินภิกษุผู้โจดได้เห็นภิกษุต้องอบัตปาราชิก ถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าเขาพเจ้าได้ยินว่าท่านต้องอบัตตปาราชิกแล้วเขาพเจ้าได้นึกสงสัยว่าท่านต้องอบัตตปาราชิกแล้วเขาพเจ้าได้ยินได้นึกสงสัยว่าท่านต้องอบัตตปาราชิกแล้วต้องอบัตตสังฆาธิเศตทุกๆคำพูดได้ยินสั่งให้โจทย์ว่านึกสงสัยภิกษุผู้โจทย์ได้ยินว่าภิกษุต้องอบัตตปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าเขาพระเจ้าได้นึกสงสัย ถ้าสั่งให้โจดว่าข้าพเจ้าได้เห็นถ้าสั่งให้โจทว่าข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้เห็นท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วต้องอบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดนึกสงสัยสั่งให้โจทว่าได้เห็นภิก <intellect> ษ <cat> ุผู้โจดนึกสงสัยว่าภิกษุต้องอบัติปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจดภิสูตนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจดภิสูุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินถ้าสั่งให้ โจทย์ภิกษุนั้นว่าเขาพระเจ้าได้เห็นได้ยินว่าท่านต้องอบัติปาราชิกแล้วต้องอบัตติสังฆาธิเศตทุกๆคำพูดได้เห็นไม่แน่ใจสั่งให้โจทย์ภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอบัตติปาราชิกไม่แน่ใจในเรื่องที่ได้เห็นคือกําหนดสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้จําสิ่งที่เห็นไม่ได้ลืมสิ่งที่ได้เห็นได้ยินไม่แน่ใจสั่งให้โจทย์ ภิกษุผู้โจทย์ไม่แน่ใจในเรื่องที่ได้ยินคือกำหนดเรื่องที่ได้ยินไม่ได้จำเรื่องที่ได้ยินไม่ได้ลืมเรื่องที่ได้ยินไม่แน่ใจนึกสงสัยสั่งให้โจทย์ภิกษุผู้โจทย์ไม <avía> ่แน่ใจในเรื่องที่นึกสงสัยคือกำหนดเรื่องที่นึกสงสัยไม่ได้จำเรื่องที่นึกสงสัยไม่ได้ลืมเรื่องที่นึกสงสัยถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้เห็นลืมเรื่องที่นึกสงสัยถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้ยิน ลืมเรื่องที่นึกสงสัยถ้าสั่งให้โจทย์พิสูนั้นว่าข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้เห็นได้ยินว่าท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตรท่านร่วมอุโบสถประวรณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอบัตสังฆาทิเศตทุกๆคำพูด